อีกสูตรหนึ่งนะครับปฐมราคะสูตรว่าด้วยผู้ถูกมารผูกไวเออมาดูซิว่าเราเนี่ยถูกมารผูกไว้หรือเปล่านะครับจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายราคะโทสะโมหะบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งยังละไม่ได้แล้วบุคคลผู้นี้เรากล่าวว่าเป็นผู้อันมาร ูกไว้แล้วสวมบ่วงแล้วและถูกมารผู้มีบาปพึงกระทำได้ตามความพอใจเ <c oughs> ข้าบ่วงเลยนะครับถ้ายังมีราคาโทสะโมหะเนี่ยนะถ้ายังเห็นอารมณ์เป็นสุภานิมิตเห็นอารมณ์เป็นปฏิฆานิมิตเห็นอารมณ์เป็นอุเบกขานิมิตเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็แสดงว่ามารเนี่ยผูกคอไว้แล้วนะครับนะถูกบ่วงมารไว้แล้วนะครับแล้วก็มารผู้มีบาปกระทาได้ตามความพอใจแล้วนะครับ ดูการพิสูจนทั้งหลายราคะโทสะโมหะบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งละได้แล้วบุคคลผู้นี้เรากล่าวว่ามารผูกไม่ได้สวมบ่วงไม่ได้และมารผู้มีบาปกระทําตามความพอใจไม่ได้นะครับและพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นได้กล่าวบุคคลผู้สำรอกราคะโทสะโมหะและอวิชชาได้แล้ว ผู้มีตนอันอบรมแล้วผู้ใดผู้หนึ่งว่าเป็นผู้ประเสริฐผู้ไปแล้วอย่างนั้นตรัสรู้แล้วผู้ล่วงเวรและภัยผู้ละกิเลสทั้งปวงเสียได้นะครับสรุปแล้วพารหันนั่นเองนะครับที่มารผูกไม่ได้สวมบ่วงให้ท่านไม่ได้แล้วก็มารทำเอาตามใจไม่ได้นะครับเก่กับมาณตรงนี้นี่ในสูตรนี้น่าจะหมายถึงกิเลสมาร ก็ทั้งกิเลสมารเป็นต้นนั่นแหละครับถูกมารคือกิเลสผูกไว้นะครับแม้กระทั่งอภิสังขารมารเป็นต้นก็ด้วยนะครับคือกรรมก็เรียกว่ามารเหมือนกันนะครับกรรมที่นำไปสู่ภพทั้งหลายก็เื่อว่ามารเหมือนกันนะครับกรรมที่นำไปสู่ภพนำไปสู่วิบากและกรรมมาชลเพราออภิสังขารมานะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าหากว่าพาไปสู่ภพได้เทพบุตรก็เอาเรื่องแล้วนะครับ ลองตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดในชั้นปรานิมิตแต่วสวัสดีก็ไปเป็นบริวารของพญามานะครับตอนนี้ถ้าตามกว่านั้นเนี่ยมารเขาควบคุมได้หมดนะครับไม่ต้องห่วงนะครับกระตุกไปทางไหนก็ไปหมดนะครับนะมันนึกอยากทางจมูกนะกระตุกไปหากลิ่นก็ไปนะครับนึกชอบรถอย่างไรอย่างหนึ่งก็กระตุกไปอีกแล้วนะครับถ้าตาอยากเห็นอะไรก็กระตุกไกลขนาดไหนก็จะไปดูนะครับเล้วก็กระตุกไปหมดนะครับตามทวารต่างๆนะครับ ถูกบ่วงของมาแล้วใช่ไหมเหมือนกับเบ็ดมานเหยื่อล่อของมาเนี่ยนะครับพยามา น, นี่ฉุดไปเลยนะครับามานะมีรูปเขาเขียนก็คือเอาอะไรนะสมมุรามันมีบ่วงที่จมูกนะครับแล้วก็มีถูกห่วงแล้วคนฉุดดึงไปนะครับดึงจมูกไปเลยนะครับพยามานก็ดึงจมูกคนมีกิเลสไปแบบนั้นแหละครับในอัตถกฐานนะครับว่า บทว่ายัสกัสจิเป็นคํากล่าวถึงบุคคลที่ไม่ได้กําหนดแน่นอนที่ว่าบุคคลใดนะบทว่าราโคอปะฮีโนความว่ากิเลสชื่อว่าราคะเพราะอัาว่ากําหนัดกําหนัดนะครับมันกําหนัดหรือมันอะไรครับมันวันไหวใช่ไหมมันก่อนบอกมันวันไหวหรือมันเถยยคยานนะพวกนี้แหละครับอันผู้ใดผู้หนึ่งยังละไม่ได้ด้วยสามารถแห่งการตัดขาดคือด้วยสมุทเชทฐปหานเนี่ยนะ คือไม่ให้ถึงการไม่ให้เกิดขึ้นเป็นลําดับด้วยมัคหมายคือว่าไม่สามารถเจริญอริยมรรคจนละราคะโทสะและโมหะได้เนี่ยนะครับบรรดากิเลสเหล่านั้นราคะโทสะโมหะที่จะต้องไปอบายละได้ด้วยปฐมมัมัคโสดาบันนะครับถ้าโสดาบันเนี่ยละราคะโทสะโมหะที่นําไปปฏิสนธิในอบายหมดเกลี้ยงการมาราคะอย่างหยาบและโทสะอย่างหยาบ ละได้ด้วยสกทาคามิมักหรือทุติยมักกามรมาราและโทสะเหล่านั้นแหละจะละได้โดยไม่มีเหลือเลยด้วยตติย ม, มักคืออาาคามิมักภาวะราคะนะครับความยินดีในภพและโมหะทั้งหมดที่เหลือจะละได้ด้วยมักที่สี่คืออรหัตตมักนะครับเมื่อละกิเลสเหล่านี้ได้อย่างนี้ กิเลสเมททั้งหมดก็ย่อมละได้เหมือนกันนะถาละราคะโทสะโมหะนะบริวารที่เหลือก็ตายเกลี้ยงหมดนะครับเพราะตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับกิเลสเหล่านั้นใช่ครับอย่างอิสสามะเฉริยะกุกุจะทีนะมิถาวิจิกิชฌาเนี่ยนะครับมานะทิฏฐิทั้งหลายเล่าก็มีหัวหน้าใหญ่คือราคะโทสะและโมหะเพราะราคะโทสะโมหะเป็นทั้ง เหตุ hey, ตัปัจจัยเป็นทั้งอุปนิสัยปัจจัยเป็นต้นของบาปประธรรมทั้งหลายอื่นๆเพราะฉะนั้นถ้าฆ่าหัวซะนะครับตัดหัวทิ้งซะแขนขาก็กระดิกกระเดี่ยวไม่ได้แล้วนะครับราค่าเป็นต้นเหล่านี้ตามที่พันณนา ม, มานี้ผู้ใดผู้หนึ่งจะเป็นภิกษุก็ตามนะจะเป็นพระสมบัติเป็นต้นก็ตามภิกษุณีก็ตามอุบาสก นะใครก็ได้ผู้การก็ได้ก็ตามนะครับอุบาสิกาก็ตามยังละไม่ได้แล้วด้วยมัก๊กถ้ายังละไม่ได้นะมาเนี่ยเจอมาเนี่ยผูกไว้แล้วว่างั้นแต่สวมบ่วงมาแล้วว่างั้นถูกมารผู้มีบาปกระทำได้ตามความพอใจแล้วนะครับทาะไม่ได้บทว่าพันโทมารสะความว่าบุคคลนี้เราสถาคเรียกว่าถูกมารคือกิเลสผูกไว้แล้ว และเขาถูกกิเลสมารผูกไว้แล้วด้วยบ่วงอันเลิศใดแม่บ่วงเขานี่ชั้นยอดเลยนะครับก็เป็นอันถูกแม้อภิสังขารมานเป็นต้นผูกไว้แล้วด้วยบ่วงอันเลิศนั้นเหมือนกันนะครับถ้ากิเลสผูกไว้นะกรรมก็จะนําไปสู่ภพนะครับถ้ากรรมนําไปสู่ภพพออะไรครับขันธมารก็จะเกิดมัจจุมารก็จะเกิดเทพพุตรมารก็จับได้ช่องเพราะถ้าไม่ละ ก, กิเลสมารอันนี้นะครับ อภิสังขารมารกรรมก็นําเกิดเมื่อกรรมนําเกิดขันก็เบียดเบียนนะครับเป็นขันธมารไปนะครับเทพพระพุทธมานก็เอาตามใจชอบมัดจุมานความตายก็เข้ามาเล่นงานย่ํายีนะครับนะเพราะฉะนั้นจึงเป็นผู้ถูกมาเนี่ยผูกไว้สวมบ่วงไว้แล้วก็มารเนี่ยทำได้ตามความพอใจนะครับคือทั้งกิเลสมานรอภิสังขารมานกิเลสมานแล้วแต่กิเลมันจะชุดให้ไปทําอะไรก็ทํำมุสนะครับตามแต่กิเลสมันจะต้องการ ส่วนขันธมารเนี่ยนะครับพอกิเลสมารพาให้ทําตําอย่างไรอภิสังขารมารก็โยนไปนําเกิดในภพนั้นนั้ น, นะครัเสร็จอภิสังขารมาร น, นะครับอาจจะนําไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตในรลกทักบุญให้ผลก็มาเกิดในสุขติโลกสวรรค์เป็นต้นเนี่ยนะครับอภิสังขารมารก็พาไปทีนี้เทพพระบุตรมารก็ชักชวนไปแล้วนะครับไปโน่นมานี่ก็ไปเรื่อยแล้วก็ขันธมารก็เบียดเบียนทั้งเจ็บป่วยอดอดัดแน่เสร็จมัดจุมานก็ตัดหัวไปนะครับ เพราะฉะนั้นก็เป็นไปตามบ่วงของมานลักษณะนี่แหละครับน่าสงสารนะผมเนี่ยน่าสงสารจริงเลยเนี่ยยังถูกพญามานเนี่ยผูกดึงฉุดหัวไปเลยนะครับบทว่าปฏิมุกขะมาระบาโสความว่ากิเลสกล่าวคือบ่วงแห่งมานอันเขาคือบุคคล น, นี้ผู้ยังละไม่ได้สวมไว้แล้วเพราะยังละกิเลสไม่ได้นั่นเองอธิบายว่าคล้องไว้แล้ว คือสอดเข้าไปแล้วในจิตตะสันดานของตนนะครับถ้าเป็นสัตย์อย่างอื่นเนี่ยเขาผูกคอเป็นต้นใช่ไหมคะอันนี้ผูกไว้ที่จิตเลยนะ้แก่ถูกมานั้นบังคับให้ผูกเองนะครับเออคือคือเราผูกเราเองนะครับแต่ว่าพยามานเขาเสียมสอนนะผูกอย่างนั้นนะผูกอย่างนี้นะผูกอย่างอื่นมันจะหลุดง่ายนะต้องผูกแบบนี้นะผูกผูกแบบนั้นนะนะผูกเหมือนผูกตราสังหรับครับแน่นเอียดอย่างนั้นแหละ อีกอย่างหนึ่งบ่วงมานพึงเป็นของที่เขาสวมไว้พึงทราบอธิบายในธรรมะฝ่ายขาวเอาฝ่ายดีบ้างนะครับบทว่าโอมุกะสะความว่าบ่วงมานั้นเป็นของอันเขาเปลืองคือแก้แล้วได้แก่ตั้งอยู่ไม่ได้นะครับคือพาธันเนี่ยนะครับแก้หมดแล้วนะครับจะเอา อย่างที่พระองค์ตรัสว่าเธอทั้งหลายพ้นแล้วจากบ่วงทั้งที่เป็นของมนุษย์จากบ่วงทั้งที่เป็นของทิพย์อ่า ง, งั้นนะเพราะฉะนั้นแม้รูปที่เป็นทิพย์ก็ยั่วยวนกวนใจพผ้ารหันทั้งหลายไม่ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นนั้นพระารหันนะท่านก็หลุดจากบ่วงหมดแล้วนะครับในพระสูตรนี้ในคาถามีมาแล้วด้วยสามารถแห่งธรรมะที่เป็นฝ่ายเขาเท่านั้นนะครับความสังเขปหมายถึงพระาริยาทั้งหลายมีพระพุทธเจ้า เป็นต้นกล่าวถึงพระอริยะบุคคลที่บอกว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นได้กล่าวบุคคลผู้สํารอกราคะโทสะโมหะและอวิชชาได้แล้วผู้มีตนอันอบรมแล้วผู้ใดผู้หนึ่งว่าเป็นผู้ประเสริฐผู้ไปแล้วอย่างนั้นผู้ตรัสรู้แล้วผู้ล่วงเวรและภยัยผู้ละกิเลสทั้งปวงเสียได้นะครับ นี้อธิบายว่าผู้สํารอกราคะโทสะและอวิชชาออกแล้วคือให้ดับไปแล้วด้วยมักอันเลิศหมายถึงอรหัตผลนะครับเป็นผู้มีกายอันอ บ, บรมแล้วเชื่อว่าผู้ประเสริฐคือเป็นพระพรหมคือประเสริฐหรือประเสริฐสูงสุดนะครับคือบรรลุอรหัตแล้วองค์ใดองค์หนึ่งคือองค์หนึ่งในจํานวนพระอรหันต์ทั้งหลายโอพระอรหันต์ทั้งหลายนี่นะครับอ บ, บรมเรียบร้อยหมดแล้วนะครับพ้นแล้วชื่อว่า อ บ, บรมตนแล้วนะครับนะคืออบตนจนดีแล้วนะครับคือเพราะมีศีลสมาธิและปัญญาพระขีนาสพอื่นๆเป็นผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติคือปรุรภูปะนิสัยมาแล้วและท่านเหล่านั้นถึงแล้วคือบรรลุแล้วซึ่งพระนิพพานด้วยมัชชิมาปฏิปทาที่สงเคราะห์ด้วยศีลสมาธิและปัญญาขันเว้นจากส่วนสุดทั้งสอง ปุรภูปนิสัยนะครับสับนี้น่าสนใจมากนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าบุญเก่าทามาดีแล้วนะครับเนื่องจากท่านมีอุปนิสัยเก่ามีบุญเก่าสะสมบ่มบารมีมามากนะครับหรือว่าเช่นพระ อ, อนนท์เป็นต้นเนี่ยนะครับท่าน เป็นลักษณะของกตาปุญโญนะครับเป็นผู้มีบุญอันทํำไว้แล้วตั้งความปรารถนาไว้แล้วและประพฤติพรหมจรรย์ในศาสนาของพระผู้มีพระภาคองค์ก่อนๆไว้แล้วนะครับประพฤติดีปฏิบัติชอบมาแล้วนะครับเจริญสมถวิปัสนาศึกษาพุทธพจน์จากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆมาแล้วเป็นอย่างดีพอมาถึงพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ท่านเหล่านั้นก็เลยสามเมตบรรลุมนิพพานด้วยข้อปฏิบัติที่เป็นซ้ายกลางนะด้วยกองแห่งศีลกองแห่งสมาธิและกองแห่งปัญญา แล้วก็เว้นจากอัตตะกิละมัฐานุโยกเว้นจากกามาสุขขลิกานุโยกบรรลุถึงพระนิพพานเลยนะครับอันะคนมีบุญเนี่ยนะคนมีบุญเก่าของเราก็มีบุญเหมือนกันนะครับแต่บุญมันอยู่หางแถวนะครับถ้าหากว่าอายุร้อยปีต่อคนนะเราก็แถวที่สิบยี่สิบห้านะครับถ้าแถวละห้าสิบก็แถวโอรุ่นที่ห้าสิบนะครับรุ่นที่ห้าสิบแบบปลายปลายแถวนะครับสงสัยมองดูลิบๆเลยนะไกลนน้นแบบนั้นเนี่ย ได้ยินบางคนบอกว่าเป็นไม่ชีนะครับบอกว่าไม่อยากจะฟังธรรมมากๆฟังธรรมมากๆเรียนมากๆแล้วมันจะบรรลุชา้าโดยอย่างพระ อ, อนนท์สิครับวจีทุจริตนะครับ เ, นะเป็นวจีทุจริตนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากหลับหูหลับตาปิดหูปิ ด, ปดตาไม่อยากเจอแม้กระทั่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็าาแสดงว่าหนักหนาสาหัสแล้วนะครับครับก็ พิจารณาเอากันแล้วกันนะครับว่าแค่ไหนจึงจะสมดุลนะครับจึงจะสมควรเพราะว่าถ้อยคําบางอย่างนะครับต้องดูว่าพูดด้วยกุศลจิตหรือเปล่านะครับถ้าไม่พูดด้วยกุศลจิตเนี่ยนะครับก็มีโทษนะนะเพราะว่าถ้าหากว่าคนที่ฟังไม่ดีเนี่ยอาจจะคิดเป็นอื่นไปก็ได้นะครับถามว่าพูดอย่างนั้นเนี่ยก็ถามมาดูหมิ่นพระนนท์ใช่ไหมนะครับพระนนท์เนี่ยนะครับท่าน สร้างบารมีมาอย่างนั้นนะครับท่านท่านสร้างบารมีมาอย่างนั้นก็พระนร น, นี่ฟังมากคนอื่นก็ฟังแต่ทําไมเขาฟังแล้วบรรลุเลยล่ะเนี่ยนะเช่นภาษาริบุตรก็ไม่กี่วันก็บรรลุเลยพระโมคคะลานะก็ไม่กี่วันพระอนุรทธก็ไม่กี่วั น, พ ร, น, รธธวนพระอุวาลีก็ไม่กี่วันนะครับพระอรหันต์องค์อื่นๆ อ, อ, อีกก็ไม่นานนักนะครับก็บรรลุกันทั้งนั้นแหละพระนรนี่ยี่สิปีแรกนะครับก็ไม่ได้ติดตามพระพุทธเจ้าตลอดที่ไหนนะครับ 20ปีแรกนี่ก็ไปภาคเพียรปฏิบัติตามสถานที่ต่างๆแต่ว่าอุปนิสัยยังไม่ถึงพร้อมนะครับเพราะว่าตําแหน่งที่ท่านปรารถนานี่เป็นเอตทักขะในด้านพระหูสูตรเป็นต้นนะครับความปรารถนาที่ท่านตั้งเอาไว้นะครับเะะนืองั้นก็แสดงว่าดูเหม็นว่าเออพานนอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าฟังประเทศเลยไม่ได้บรรลุเลย <c oughs> เอาและคนอื่นเข้ามาอยู่ใกล้ๆพระพุทธเจ้าเขาฟังเทศเขาก็บรลุกกลับไปแล้วล่ะนะครับท่านคนที่กล่าวอย่างใดอย่างหนึ่งนี่นะครับก็เสี่ยงๆอยู่เหมือนกันนะครับ คำพูดนะครับคำพูดนั้นๆ น, น, นะครับจะทําให้คนพูดนั่นแหละบรรลุช้านะครับเ mm hmm. พราะก็เหมือนอะไรครับคิดดูง่ายๆเหมือนกับว่าโชติปาระมานพเนี่ยนะครับคือคือพระโพธิสัตว์เนี่ยนะกล่าวว่าประโยชน์อะไรด้วยการเข้าไปหาส ม, มณาโล้นโพธิญาณท่านได้โดยยากนั่นก็หมิน่นพระรหัสนะครับอะไรเกิดขึ้นครับตัวเองก็ประพฤติผิดปฏิบัติผิดนะครับทําให้ไปหลงทางอยู่นานนะครับ อัน้่อยคําบางอย่างนะตัวเองเจะรีบปฏิบัติก็รีบไปเถอะแต่ไม่ต้องไปพาดพิงถึงคนดีเขารอกนะครับนะก็จะทําตัวยังไงก็เรื่องเฉพาะตัวไปแต่ไปนึกดูหมิน่นดูแคลนพารหารันหรือดูหมิน่นดูแคลนพฤติกรรมบางอย่างนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นใบเพื่อไม่เป็นประโยชน์เลยนะครับนะบางหมอมันก็จะตายเพราะปากนั่นแหละครับนะเพราะฉะนั้นถ้าปฏิบัติก็ปฏิบัติไปมีศรัทธาที่จะปฏิบัติก่อนมงงันก็ว่าไปนะครับส่วน พฤติกรรมของพระริยเจ้าทั้งหลายเอาไว้กราบเอาไว้ไหว้นะครับท่านท่านดีแล้วนะครับท่านสุปฏิปันโนแล้วท่านอุชุปฏิปันโนญาญาปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนแล้วนะครับเราไม่ต้องไปทําลายคะแนนทําลายอะไรท่านหรอครับน่าเห็นใจจริงๆนะครับเพราะผมเชื่อว่ามีโทษอยู่แล้วผมอาจจะมีวาจายอย่างนี้มั่งก็เลยห่างพระริยเจ้าท่างมหาศาลนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับท่านเหล่านั้นแทงตลอดลักษณะที่แท้จริง แห่งขันเป็นต้นผ่าหันนะครับแทงตลอดขันเป็นต้นตามความเป็นจริงท่านเหล่านั้นรู้ยิ่งแล้วซึ่งทุกเป็นต้นนะครับคือรู้ทุกทุกทุกขสมุทยัยทุกขนิโรธทุกขานิโรธโราคามินีปฏิปทาอันเป็นธรรมะที่แท้จริงโดยไม่ผิดพลาดและท่านเหล่านั้นเห็นอารมณ์ทั้งหลายมีรูปเป็นต้นด้วยสามารถเพียงเห็นเท่านั้นนะครับเที่ยวคือ มัตตาสับใช่ไหมครับน่าจะมัตตานะคือโดยประมาณแห่งการเห็นเท่านั้นนะครับคือหมายความว่าไม่มีราคะเหมือนจกักขรวิญญาณเลยชาวนะของท่านนะครับชาวนะของท่านไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะเลยไม่ใช่ท่านเออสีเท่านั้นไม่ได้คิดอย่างนี้นะครับ<ส><ก>เพียงแต่ว่ามัตต์ตัวนี้นะครับแปล ว, ว่าประมาณนะครับเป็นประมาณว่าเห็นคือหมายความว่าชาวนะของท่าน เป็นประมาณเหมือนจักรคูวิญญาณเพราะจักรคูวิญญาณเป็นต้นไม่ม so ีราคะโทสะโมหะเลยชวนะของท่านเวลาเห็นก the ็ไม no. so ่ม so ีราคะโทสะโมหะนะครับชาวนะของท่านเวลาได้ยินเสียงก็ไม่มีราคะโทสะโมหะชาวนะของท่านเวลาจมูกได้กลิ่นก็ไม่มีราคะโทสะโมหะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วความคิดของท่านยามที่รับอารมณ์ใดๆนะครับก็ไม่เป็นไปกับราคะโทสะโมหะเพราะอะไรครับเพราะขันธ์ธาตุอายตนะทั้งหมดทำปริญญาหมดแล้ว นะครับอริยศัสตว์ก็แทงตลอดแล้วนะครับท่านเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทจริงๆอีกอย่างหนึ่งพระอริยบุคคล 8. จํจำพวกเหล่านี้มีวาจาเป็นไปแล้วด้วยสา ม, มารถแห่งอริยโวหารอย่างเดียวโดยเว้นโวหารที่ไม่ใช่ของพระอริยนะครับคำพูดของท่านนะคพูดของท่านถ้าท่านเห็นท่านก็บอกว่าเห็นไม่เห็นท่านก็บอกว่าไม่เห็นนะครับจะ จะเป็นโวหารของพระอริยะ8ประการนะครับคือเห็นว่าเห็นได้ยินว่าได้ยินทราบว่าทราบรู้ว่ารู้ไม่เห็นบอกว่าไม่เห็นไม่ได้ยินบอกไม่ได้ยินไม่ทราบก็บอกว่าไม่ทราบไม่รู้ท่านก็บอกว่าไม่รู้นะครับนี่เรียกว่าโวหารของพระอริยะเจ้าส่วนโวหารของคนที่ไม่ใช่พระอริยะก็บอกว่าไม่เห็นว่าเห็นนะครับไม่ได้ยินว่าได้ยินไม่ทราบว่าทราบไม่รู้ว่ารู้นะครับเห็นก็บอกว่าไม่เห็นได้ยินก็บอกไม่ได้ยิน ทราบก็บอกว่าไม่ทราบนะครับรู้ก็บอกว่าไม่รู้เป็นต้นเนี่ย น, ะนี่คือคําพูดของอนาระยะชนนะครับชนที่ไม่ใช่พระอริยะนะเพราะฉะนั้นท่านเป็นผู้ที่มีกายไปแล้วเหมาะสมแก่วาจาและมีวาจาเป็นไปแล้วเหมาะสมแก่กายชันใดพระอริยะทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นกล่าวคือเรียกได้แก่สารเสริญบุคคลนั้นผููไปแล้วอย่างนั้นว่าท่านผู้นี้ เป็นพระอาาริยบุคคลชื่อว่ารู้แล้วเ <_ letter> พราะรู้อริยสัจสีผู้ก้าวล่วงบุคคลเวนนะครับคือท่านเนี่ยนะครับไม่มีจิตผูกเวนกับบุคคลใดๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านล่วงบุคคลเวนเพราะไม่มีผูกเวนกับใครล่วงจากกิเลสเวนนะครับคือท่านไม่มีเวนคือกิเลสแล้วในจิตใจท่านและภัยมีการติเตียนตนเป็นต้นก็ไม่มีในท่านนะครับท่านจะไม่ติเตียนตนแม้แต่วินยูชนเป็นต้นใคร่ครวญแล้วจะไม่ติเตียนเลยนะครับ เพราะฉะนั้นท่านชื่อว่าเป็นผู้ล่วงพ้นเวรภัยผู้ชื่อว่าละกิเลสทุกอย่างได้เพราะละกิเลสและอภิสังขารเป็นต้นทั้งหมดได้นะครับละกิเลสและละกรรมที่นําไปสู่พบทั้งหมดได้หมดแล้วนะครับนี่ก็เรียกว่าปฐมราคะสูตร